สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เป็นเช้าวันกันนะครับเราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่เจ็ดสิบเ็ดนะครับตอนที่เจ็ดสิบเอ็ดอมาพาดหายโรคเพราะชนะพระเจ้าในเช้าวันนี้พระธรรมยอห์นบทที่ห้าข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่เก้านะครับโปรดฟังโพชนะของพระเจ้าหลังจากนั้นก็ถึงเทศกาลของพวกยิวและพระเยซูก็เสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มในกรุงเยรูซาเล็มที่ริมประตูแกะมีสะอยู่สะหนึ่ง ภาษาฮิบรูเรียกสัานว่าเบ็ดไซดาซึ่งเป็นที่มีศาลาห้าหลังในศาลาเหล่านั้นมีคนป่วยเปนนั้นมากคนตาบอดคนง่อยและคนเป็นอมัมพาตนอนอยู่ที่นั่นมีชายคนหนึ่งป่วยมาสามสิบแปดปีแล้วเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรคนนั้นและทรงทราบว่าเขาป่วยอยู่ น, นั้นมานานแล้วพระเยซูตรัสกับเขาว่าเจ้าปรารถนาจะหายโรคหรือคนป่วยนั้นทูลตอบพระองค์ว่าท่านเจ้าข้า เมื่อนั้นกำลังกระเพิ่มนั้นไม่มีผู้ใดที่จะเอาตัวข้าพเจ้าลงไปในสระแต่เมื่อข้าพเจ้ากำลังไปคนอื่นก็ลงไปก่อนแล้วเพียสุตรกับเขาว่าจงลุกขึ้นยกแคร่ของเจ้าเดินไปเถิดในแทนใดนั้นคนนั้นก็หายโรคและเขาก็ยกแคร่ของเขาเดินไปวันนั้นเป็นวันสบัดโตท่านครับถ้าหากว่าเราดูในข้อที่สานะครับ เราจะพบว่าหลังจากข้อที่สามนะครับไม่ปรากฏข้อที่สี่นะครับไม่มีข้อที่สี่ในพระบรมพิีตอนนี้นะครับถ้าเราหันมาดูข้างล่างครับเหลือมาดูข้างล่างนะครับเราจเห็นว่าข้างล่างนั้นตรงฟุตโน้ตหรือเชิองอัดนั้นมีคําเขียนอย่างนี้นะครับว่าสำเนาโบราณบางฉบับเพิ่มว่าคอยน้ํากระเพิ่มด้วยว่าทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้าลงมากวานน้ำนิสจาเป็นครั้งคราวและเมื่อน้ํากระเพิ่มนั้นปูใด้ก้าวลงไปในน้ําก่อน ก็จะหายจากโรคที่เขาเป็นอยู่นั้นนั่นคือข้อที่สี่นะครับซึ่งไม่ปรากฏอยู่ในต้นฉบับบางฉบับครับสำเนาโบราณนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าการลอกพระกัมภีหรือการคัดท่อมีส่งผ่านนะครับก็คนที่ลอกนั้นค่อนข้างจะสัตซื่อต่อการลอกนะครับถ้าหากว่าเขาไม่พบกับข้อไหนเขาก็จะเว้นไปเขาจะไม่ลอกครับเขาจะไม่เติมความคิดส่วนตัวไป แต่ว่าเนื่องจากว่ามีสําเนาโบราณนะครับหลายหลายฉบับที่กระจัดกระจายอยู่ในสมัยโบราณจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นทําให้เราสามารถปฏิบัติต่อเรื่องกันได้นะครับก็คือมีสําเนาโบราณบางฉบับนั้นก็มีการบันทึกข้อที่สี่เรื่องของทุสวรรษมากวนน้ํานะครับเพื่อที่จะนําไปถึงการหายโรคพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าคนที่แป็นม้ำพาศหายโรคถ้าเราดูในเรื่องราวนี้เราจะพบว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เยรูซาเล็มนะครับขณะที่เปเยซูทรงพักจากพราชกิจของพระงและเดินทางมาที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับเพื่อร่วมงานปัสกาพี่น้องครับในพมพีตอนนี้ไม่ได้กล่าวว่าเขาร่วมงานอะไรเทศกาลอะไรนะครับแต่นักวิชาการก็ยอมรับว่านี่คือเทศกาลปัสการครับและเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าระหว่างยอห์นบทที่ห้าและบทที่หกนั้นนะครับบทที่หกได้บันทึกถึงเทศกาลปัสกาชัดเจนครับ นะครับถ้าหากว่าในยอห์นบทที่ห้านะครับที่เราได้อ่านไปแล้วนั้นได้บันทึกถึงเทศกาลปัสกาครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับเทศกาลในบทที่ห้านั้นเป็นเทศกาลปัสกาครั้งที่สองของชีวเทเยสูรครับหลังจากที่เริ่มปฏิบัติน้ำพระราชกิตของพระเจ้าและในบทที่หกนะครับก็จะเป็นเทศกาลปัสกาครั้งที่สามครับเพราะฉะนั้นระหว่างยอห์นบทที่ห้าและบทที่หกนั้นก็ พูดถึงเวลาก็ห่างกันหนึ่งปีครับยอนไม่ได้บันทึกเหตุการณ์หรือคําสอนสักอย่างนะครับซึ่งมัทธิวมาโกลูกาบันทึกไว้ระหว่างช่วงหนึ่งปีนะครับจา ก, กอยอนบทที่ห้ากระโดดไปที่ยอนบทที่หกเป็นเวลาหนึ่งปีนะครับแต่ถ้าเราอ่านยอนบทที่ห้าข้อที่หนึ่งนะครับเราจะพบว่าพระเยซูเสด็จไปร่วมเทศกาลปัสกานะครับและบทที่หกนะครับข้อที่สี่ก็กล่าวถึงเหมือนกันครับ ว่าพระเยซูทรงอยู่ในกาลิลีและใกล้ถึงเทศกาลปัสกาแล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถประมวลเหตุการณ์ทุกอย่างนะครับว่ายอนนะครับไม่ได้บันทึกในบทที่ห้าบทที่หกนะครับระหว่างบทที่ห้าบทที่หกท่านไม่ได้บันทึกแต่เหตุการณ์ต่างๆนั้นได้ถูกบันทึกไว้ในพระธรรมมัทธิวมารโกและลูกานะครับพี่น้องครับเรามาดูในข้อที่สองนะครับกล่าวว่าเมื่อพระเยซูเสร็จมาถึงทรงเข้ากรุงเยรูซาเล็มที่ทางประตูแกนครับ เมืองเยอเซมินนี้นะครับสร้างอยู่บนเนินเขานะครับสามลูกด้วยกันเยอเซมเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลนะครับแล้วก็ประตูนะครับเป็นประตูแกะก็คือเป็นตลาดแกะครับตลาดค้าขายแกะจึงเรียกว่าเป็นประตูแกะนะครับส่วนตะวันออกเยอเซมนั้นก็มีใกล้ประตูนะั้นมีสระน้ํามีสาลาห้าหลังรายล้อมด้วยคนเจ็บป่วยที่มายังสระน้ําโดยหวังจ้งจะหายจากโครคครับและสระน้ํานี้มีชื่อว่าเบสซดานะครับถ้าเรามี พระกัมภีร์ในมือนะครับซึ่งเป็นเพิ่มทีค่อนข้างจะเก่าหน่อยเวอร์ชั่นเก่าหน่อยนะครับก็จะมีแผนที่ที่อยู่ด้านขวามือนะครับด้านหลังปกหลังนี่นะครับถ้าพี่น้องเปิดไปดูนะครับพระกัมปีบางเล่มท่านจะเห็นนะครับวิหารนะครับแล้วก็สระเบชดาเน้นก็จะอยู่นะครับก็จะอยู่ทางเหนือของพระวิหารนะครับเพราะฉะนั้นเรากลับมาดูนะครับว่าเบชดานั้นมีความหมายว่าอย่างไร คำแปลของคาว่าเบ็ดซาดาครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับคำว่าเบ็ดนั้นแปลว่าบ้านครับเนี่ยซานะครับนะหรือสาดานะครับมาจากคําว่าเมอร์ซี่แล้วเมอร์ซี่เมอร์ซี่แปลว่าพระกรุณาครับเบ็ดซาดาแปลว่าบ้านแห่งพระกรุณาพี่น้องครับทําไมถึงเป็นบ้านแห่งพระกรุณาครับเพราะว่าที่นี่นั้นมีสระน้ําครับเมื่อคนเจ็บคนป่วยมาถึงสระน้ําไม่ว่าจะคุณจะเป็นตาบอดคนงอดเคยเป็นอําพฤกษ์นะครับเข้ามากันเพราะเขาคํา ก็มีความเชื่อนะครับว่าบางครัง้งบางคราวจะมีสวุวรรณลงมากวนน้ําให้กับเพื่อนเขยิเชื่อว่าคนแรกนะครับคนที่หนึ่งที่กระโจนลงน้ํขนาขณะที่น้ํากับเพื่อนนั้นจะหายจากโครคภัยไข้เจ็บครับแท้จริงสารนั้นก็ลึกพอที่คนจะลงไปไหวได้ครับจริงๆข้างใต้นั้นเป็นทานน้าใต้ดินนะครับบางครัง้งบางคราวนั้นทานน้าใต้ดินนั้นทําให้น้ําข้างบนกับเพื่อนครับอาจจะเป็นการแผันดินไหวเล็กๆน้อยนนะครับหรือมีการอา เติมเข้ามาของน้ําใต้ดินเข้ามาอยู่ในสระ น, นะครับทําให้น้ํากระเพื่อมก็ไม่มีบันทึกวัดครับว่าใครบ้างหายป่วยจริงๆเมื่อกระจนลงสระแล้วแต่ความเชื่อของคนอพราพาคนนี้ที่ต่อพระเยซูนะครับก็เหมือนกับว่าสามสิบแปดปีมาแล้วนะครับเขารอมาสามสิบแปดปีนะครับถ้าหากว่ามีน้ํากระเพื่อมเมื่อไหร่เขาคงลงไปไม่ทันนะครับนี่คือสิ่งที่เอ่อคนอพราพาเขาเชื่ออย่างนั้นในคนธรรมดาทั่วไปที่ นำมาวางทิ้งไว้ที่นี่ก็เชื่ออย่างนั้นเช่นเดียวกันพี่น้องครับ <c oughs> <c oughs> การที่คนเชื่อว่าปรณิหารเกิดขึ้นได้นั้น <c oughs> ก็คงจะมีที่ผลเหนือความเก็บไข้ได้ปวดของตัวเองนะครับ <c oughs> ความเชื่อในปณิหารยิ่งใหญ่พอที่จะนําคนเจ็บคนป่วยพากันนะครับมานะครับมาเพื่อที่จะรอการรักษาจากทูษสวรรค์หรือจากการอศัศจรรย์เหล่านี้พี่น้องครับในข้อที่ห้าครับกล่าวว่ามีชายคนหนึ่งนอนอยู่ริมสระก็ป่วยมาสามสิบแปดปีแล้ว เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นคนนั้นก็ทรงทราบว่าเขาป่วยอยู่อย่างนี้มานานแล้วจึงจัด ก, กับเขาว่าเจ้าอยากหายโรคไหมประเด็นที่สําคัญในวันนี้นะครับก็คือพระเยซูทรงทราบว่าเขาป่วยอย่อยางนี้นมานานแล้วนะครับมาสามสิบแปดปีแล้วพระเยซูทรงรู้จักชายคนนี้นะครับซึ่งเป็นคนป่วยเอามาพึ่เอามาพาดอยู่ซึ่งไม่สามารถที่จะขยับตัวเองได้เพียงครับคนถวายพาดคนนี้ นะครับน่าจะถูกจากที่น้องเขาเอามาวางไว้หรือมาทิ้งไว้นะครับเขาอาจจะรับการช่วยเหลือดูแลนะครับโดยการขอจากคนอื่นกินนะครับหรืออาจจะถูกทิง้งโดยที่ไม่มีใครมาดูแลสามสิบแปดปีไม่ใช่เป็นเรื่องเรื่องเล็กๆนะครับหรือเป็นเรื่องสั้นๆแต่เป็นเรื่องที่ยาวครับและเมื่อพระเยซูทรงทราบอย่างนั้นนะครับทรงทรงถามว่าเจ้าอยากจะหายโรคไหมี่น้องครับ บางท่านก็อาจจะอ่านแล้วนะครับหรือฟังแล้วคิดว่าพระเยซูถามแปลกๆครับใช่ไหมครับไม่ต้องถามก็ได้ก็ต้องรู้อยู่แล้วนะครับว่าพวกเขาอ่ะอยากจะหายโรคแน่นอนโดยเฉพาะยิ่งคนที่นอนมาสาสแปดปีแล้วนะครับทําไมพระเยซูพูดอย่างนี้ครับทำไมพระเยซูต้องถามานี้ครับจริงๆแล้วคำถามนี้ไม่แปลกนะครับเพราะเหตุที่ว่าข้อแรกของการรับการรักษาหรือรับฤทธิเดชเรีย่องาำนาจของพระเยซู ก็คือจะต้องเริ่มต้นด้วยความอยากหรือความปรารถนาเสียก่อนนะครับพระเยซูประสงค์ว่าจระสงจะทราบว่าชายคนนี้ต้องการหายโรคมากพอไหมนะครับมากพอที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของพระเยซูต่อไปหรือเปล่านะครับเพราะในข้อที่เจ็ดนะครับนะครับในข้อที่เจ็ดนะครับคําตอบของชายคนนี้บ่งบอกว่าเขาเชื่อเรื่องอิทธิพลิหารเขาเชื่อเรื่องการรักษาอย่างอัศาจรรย์อันเนื่องมาจากน้ํากระเพื่อ เขากล่าวว่าครับท่านเจ้าข้าเมื่อน้ํากระเพื่อมอยู่นั้นไม่มีผู้ใดจะเอาตัวข้าพเจ้าลงไปในซักแต่เมื่อข้าพเจ้ากําลังไปคนหนึ่งก็ลงไปก่อนแล้วพี่น้องครับคนคนนี้นะครับมีความเชื่อเรืองอิท ธ, ธิปริหารนะครับเมื่อพระเยซูถามเขาว่าเขาอยากจะหายโรคไหมเขาต้องแสดงตัวครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นบทเรียนของเราอีกบทหนึ่งในเช้าวันนี้นะครับนอกจาก house of mercy นะครับเบ็สไซด้าก็คือเป็นบ้านที่พระเจ้ากําลังจะแสดงความเมตตานะครับต่อชายคนนี้ ประการที่สองก็คือว่าท่านนะครับหรือตัวเขานะครับนะครับตัวเขาเนี่ยจะต้องรับรู้ก่อนครับว่าเขามีความปรารถนาจริงๆหรือเปล่าพระเยซูต้องการความปรารถนาจริงๆเพียงพอที่จะหรือมากพอที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของพระองค์ต่อไปนะครับพี่น้องดูนะครับว่าพระเยซูสั่งเขาไว้อย่งไรครับต่อไปนะครับเปเยซูสั่งว่าจงลุกขึ้นยกแคร่ของเจ้าเดินไปเถอะ ในข้อที่เก้าบันทึกว่าพมพีข้อนี้สําเร็จตามถ้อยคําของอิสยาห์ผู้เผยพจนานะครับว่าเมื่อพระเมสสิยามาถึงพระเมสสิยานี้หมายถึงพระเยซูนะครับเมื่อพระเมสสิยาสเสด็จมานั้นคนงอใจกระโดดโลดเต้นเหมือนกวางครับซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่สามสิบห้าข้อสี่ข้อทหกพี่น้องครับในพระกัมพีนะครับจารุดีบทที่หนึ่งร้อยสามสิบหกนะครับแท็กพี่น้องมีพมพีอยู่ในมือ นะครับผมอยากจะให้การบ้านหลังจากที่ฟังจบแล้วนะครับก็คือเป็นเาเรียกว่าเป็นเดอะเมอร์ซี่แคปเตอร์ก็คือเป็นบทสะดุดีแห่งความกรุณาหรือเป็นบทสดุดีแห่งพระกรุณาที่น้องครับเปซูกกำลังทดสอบชายคนนั้นว่าเขาปรารถนาจะหายโยารคเพียงใดนะครับโดยจากว่าจงลุกขึ้นยกแค่ของเจ้าเดินไปเถิดถ้าว่าเปซูรทรงทราบนะครับว่าความเชื่อเขาไม่พอ นะครับพระเยซูจะเพิ่มเติมความเชื่อแต่ที่พระเยซูถามเขานะครับด้วยคําถามว่าเจ้าอยากหายโรคไหมเป็นการกระตุ้นความเชื่อเป็นการที่ให้ความเชื่อเขาได้ทํางานนะครับเป็นการที่ให้ความเชื่อเขาได้ถูกช้าแดงออกมานะครับจากคนคนนี้นะครับว่าเขาเชื่อจริงๆหรือเปล่าว่าอัคคีริต ป, ปฏิหารหรือการอัญเรย์แห่งการารักษาโรคเกิดขึ้นได้นะครับในที่สุดชายคนนี้ได้ตอบสนองครับคือเขารุกขึ้นยกแย่ ของเขาเองนั้นเดินไปพี่น้องครับทำไมจะต้องยกแคร์ครับนี่เป็นบทเรียนประการที่สานะครับยกแคร์เพราะเหตุที่ว่าเป็นการประกาศนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันจริงๆไม่ใช่ทิ้งแคร์นะครับแต่ต้องยกแคร์เพราะอะไรครับเพราะว่าหลังจากที่เขาได้รับการรักษาแล้วคนอายพคนนี้เดินไปได้ชีวิตของเขานั้นเป็นพยานด้วยตัวเองเป็นพยานด้วยสิ่งที่เขาได้หายเป็นพยานด้วยชีวิตจริงๆของเขา พี่นครับนี่คือบทเรียนสามประการนะครับในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาอวยพรพี่น้องทียรกทุกท่านอาเมน